อุปชาอาจารย์อขอนิสัยก็อุปชาแล้วนโอกาสที่จะอยู่กับบูชาไม่ได้เมื่ออุปชาก็ต้องมอบให้อาจารย์ผู้หนึง่งผู้ที่มีนิสัยดีสอนดีแต่ปฏิบัติ ด, ดีให้ขอเขาอยู่แล้วก็ก็ไปขอนิสัยกับอาจารย์ถือถือนิสัยนั่นอยู่ถือนิสัยนั่นอยู่อันนี้เป็นหลัก เป็นหลักอย่างสำคัญเหลือเกนน่าจะเปรียบเทียบทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีทุกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีกฎเกณฑ์ถ้าจะเรียนหนังสือต้องอยู่กับค้าห้าปีต้องเรียนอยู่ห้าปีจบนี่จึงไปต่อ น, นั้นก็เหมือนกันกันกบทางโลกครับทุกคนนิสัยเนี่ยมันมีมานิสัยของตัวเอง นิสัยของตัวเองมันเป็นมาเพราะว่านิสัยนั้นมันเป็นไปตามอํานาจของความอยากของตัณหาตัณหานั้นมันมีอวิชชาเป็นพื้นมันจึงเกิดขึ้นมามันก็เลยมีโอกาสถือเอานิสัยอันนั้นมาพึ่งอยู่มาพิงอยู่แค่นั้นเมื่อมาบวชในพุทธศาสนาแล้วท่านจึงให้เปลี่ยนนิสัย ต้องข อ, อนิสัยจากอุปชาอาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่อืเสมอปราศจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ถ้าปราศจากไปวันสองวันกลับมาข อ, อนิสัยใหม่เพราะนิสัยนั้นขาดเนี่ยท่าเนเรีนเราเหมือนกันเนีพระเราเหมือนกันที่เราจากไปวันหนึ่งสองวันสามวันจากนิดเดี ย, ยวนิสัยขาดเมื่อครูบาอาจารย์อุปชามาหรืออาจารย์มาต้องต่ อ, อนิสัย ขอนิสัยใหม่เพื่อให้ระวังให้สังวรสังวรวมไม่ดียิ่งขึ้นไม่ให้ประมาทในการขอนิสัยมาเหตุประมาทในการถือนิสัยเพราะว่าเรายังไม่พ้นนิสัยต้องอาศัยอุปชาอาจารย์ช่ว ย, ยดูแลอยู่ตลอดถึงห้าพรรษาห้าพรรษาแล้วรู้พอสมควร อยู่ประชาอาจารย์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบพอรู้รู้ข้อประพฤติรู้ข้อปฏิบัติรู้แล้วก็อายแล้วก็กลัวแล้วรู้จักอวัติสาบซึ้งอยู่ในใจจะยืนจะเดินจะเหินไปที่ไหนก็ตามไม่ตรกขนองไม่คิดเล่นไม่ทาเล่นแก้ไขความโรคยังมีอยู่ความโกรธก็ยังมีอยู่ อะไรอะไรเขยังมีอยู่แต่ว่ารู้จักมันแต่ว่าไม่กล้าทําตามมันไม่ทําตามอำ น, นาจของความอยากถึงแม้มันจะทุกข์จะยากลําบากสักเท่าไหร่ไม่กล้าทําเพราะอะไรกลัวนี่เพราะกลัวและอายนี่อายด้วยสิ่ที่มันเป็นที่มันผิดเน่ยอายไม่กล้าทําไม่กล้าโพดอายกลัวมีอายมีกลัวสองอย่างนี้เกิดเป็นสินบริสุทธิ์ขึ้นมา นะได้ เ, เกิดเป็นนิสัยบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตโคตสมบแล้วครับนะก็ต้องเป็นคนมีกายมีวาจาอย่างอื่นแปลกเตา่าเรียนจากนิสัยเตา่าได้นิสัยใหม่มาเป็นนิสัยของพระมาเป็นนิสัยของเนนมาเป็นนิสัยของสมณนะอืม <c oughs> นะมีมันเปลี่ยนนิสัยผู้ประพฤติปฏิบัติ ก่เหมือนกันเราจะดูก็ได้พระเมินเราบวชประมาณถ้ามันมีนิสัยน่ะมันต้องเปลี่ยนจากนิสัยอันเก่าคนที่เปลี่ยนจากนิสัยอันเก่าคือจิตมันเปลี่ยนถ้าจิตไม่เปลี่ยนแต่ว่าจะพยายามทําให้เปลี่ยนจิตมันไม่รู้มันก็เปลี่ยนไม่ได้อืมฉะนั้นพูดกันทุกวันทุกวันทุกวันก็ได้ยินอยู่แต่มันเปลี่ยนไม่ได้มใจมันยังไม่กลัว ใจเป็นยังไม่อายใจเป็นยังนม่ไหนนิสัยมันยังให้เป็นนิสัยถ้าเป็นนิสัยแล้วถ้ามีนิสัยแล้วนะมันอายมันกลัวมันไม่กล้าพูดเปลี่ยนหมดระบบกายวาจาของผลเปลี่ยน<ม>เปลี่ยนหมดนอกจากวาสนาอย่างภาษาลิบุตรนะวาสนาวาสนาอันนั้นมัน จาวทั้งหลายเนี่ยละได้ ย, ยากแต่ก็น้อยอไม่เหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าองค์เดียววาสนาได้นิ่ใจเหนื่อละได้วาสนาเนี่ยคือเจตหาที่อบรมมาในก่อนๆในสมัยก่อนมันอบรมมาหลายโคหลายชาติเนี่ยแต่ก็รู้แล้วก็เห็นจนชํานาญจนชนานาญจะพูดจนชนานาญจะไปจนชนานาญจนเกิดในเส้นดาน ในกระดูกมันเข้มข้นอยู่ในกระดูกคนนั้นและวอืมนะเข้มข้นในกระดูกคนนั้นเหมือนกับคนขี้เมาอืมคนมือนกับคนขี้เมากินเหล้าเก่งๆเป็นนักเลงเหล้านะถึงเขาไม่กินมันก็เดินไปเหมือนคนขี้เหล้าเหมือนกันก็กินเหล้าเห็นเมื่อไรก็เป็นคนขี้เหล้าพูดกบพูดอย่างคนขี้เหล้านี่แค่มันเข้มข้นกัในตัวใจมันในกระดูกมันนี่ยมันติดในสันดานนะ แต่พอเมื่อเ ล, ล่าก็ยังเป็นคนขี่เล่าอยู่นะล่ะแต่ก็ไป ม, มีอะไรไม่เมานะนี่มันเปลี่ยนได้ใ้วาสนานี่ยคมันตารเช่นภาษานิบุตรนะ่ะสมัยก่อนท่านเป็นบิงท่านเกิดเป็นบิงบิงมันชอบบิ่งมันชอบเต้นมันชอบโดดหน้าโดดรังภาษาดิบุตรก็เหมือนการนิสัยอ่าวาสนาเนี่ยนะเนีย่ย บางทีเดินเดินไปถึงหิ้วถึงบ่ลึกสนุกมาโดดปุ้มเลยเหมือนกระดิแต่กระโดดเฉยๆไม่มีอะไรไม่เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับวาสนาไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อทําไปแล้วไม่มีอะไรไม่เกิด เ, เป็นกิเลสไม่เกิดเป็นปัญหาไม่เกิดเป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นมาได้นั่นเยียก ว, ว่ามันมันเคยกันมันสึกมันอันนี้ของคนกันถ้าหากว่า ไอ้พวกเรามาพุทธปฏิบัติเนี่ยใครจะสงบหรอครับจะปฏิบัติเนี่ยมันต้องเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากสภาพเก่าเปลี่ยนจากตายเปลี่ยนจากวาจาเปลี่ยนจากิดีกาเปลี่ยนจากการพูดเปลี่ยนจากการมาพุปฏิบัติมันเปลี่ยนมดมันเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยไปอันนั้นยงวะมันขอนิตรใส่แต่มันก็ได้นิตรใส่คือมันทิ้งนิตรใสเก่า คือมันทิ้งการพูดอย่างเกา่าการเล่นอย่างเกา่าการตลกตานองอย่างเกา่ามันทิ้งคือมันเห็นแล้วมันก็ทิ้งเมื่อทิ้งแล้วมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนละบาบำเตนบุญละความชั่วประพฤติความดีละนิสัย เ, เกา่าๆนั่นมาเป็นนิสัยใหม่เนี่ยเมื่อเป็นนิสัยใหม่แล้วมันก็เป็นไปหมดจิตมันก็เป็นมาหมด ดูจัดัวรดูจัดไายดูจัดอะไรทุกอย่างนี่เกิดเป็นชาติหนึ่งว่เกิดเป็นชาติหนึ่งเนี้ยตายจากชาติอันนั้นเนี้ยมาเกิดชาติอันนี้ตายจากนิสัยอันนั้นมาเกิดเป็นนิสัยอันนี้เป็นคนแต่ละคนละแต่ในคนคนเดียวมันตายแล้วมันเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามละตามเนตามประุปฏิบัต ท่านอ่างโซโดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์เป็นต้นมีชื่อตามอันบุคคลละกิเลสได้ก็คือคนคนเดียวไม่ใช่คนหลายคนคนคนเดียวที่ต่างมีชื่อหลายอย่างก็มันเปลี่ยนไปเพราะอาการของจิตเอาการละกิเลสอันนั้นเป็นประมาณการละกิเลสเช่นนั้นนะอ่าเรียกว่ายึดใส่อันนั้น มันมีใบสะตานสะตานพิยาบัติไม่มีเหมือนทางโลกคะัต่ป้องความรู้อันนั้นรู้แล้วมันเปลี่ยนรู้แล้วมันละต่างจากอันนี้นั่นท่านะเกิดใหม่เปลี่ยนใหม่เรียกว่าเป็นอริยชาติก็ได้อริยะอริยชาติ คือมันออกไปได้จากข้าศึกกันเก่าข้าศึกที่มันที่ผ่านมาเป็นข้าศึกที่จะทำให้เราเดือดแดกไปอีกนั่นมันหมดไปข้าศึกนั้นไม่มีข้ามมาจากข้าศึกอันนั้นอริยะข้ามจากข้าศึกออกจากข้าศึกใจออกจากข้าศึกข้าศึกว่าจะออกจากข้าศึกตายออกจากข้าศึก ค่าศึกต่อทางพุทธศาสนาต่อคุณงามความดีมันออกไปอย่างว่เป็นจะเป็นค่าสึกเราออกจากค่าศึกจะเป็นค่าศึกต่อความจริงใจของเรามันฆ่าไปเช่ไหมเรื่องแรกอ น, นี้เกิดใหม่ก็คือได้นิสัยใหม่ถือนิสัยใหม่ได้นิสัยใหม่อ่านักบวชนักพรตกุมันกันเราดูเอานี้ก็ได้เลย เาปฏิบัติไปปฏิบัติไปที่จนมันด่นดายนิสัยเราจะมองดูปัจจุบันเนี่ยมองดูเดียวนี้มองดูไปข้างหลังมันห่างไกลกันไปเลยเรส่วนความรู้สึกอยู่คิดมันคนตัวอย่างกันเนี่ยอืเช่นนั้นไงว่านิสัยภายใ น, นอที่พระพุทธเจ้าของเร า, าสอนว่าพ้นนิสัยนั้นคือจิตนั้นมันพ้นจากการกระทำบาปจากการกระทำบาป ฉะนั้นจิตของพระโสราบันท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่กลับเป็นผู้ไม่กลับเป็นจิตที่ไม่กลับเป็นจิตที่ตกกระแสของสันนิพานไม่เกินแปดชาติไปนี่เราจะเห็นอันนี้ก็คือนิสัยนั่นเองมันเปลี่ยนเปลียนเปลี่ยนมันไปเมือ่อความเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นมามันก็ละเกลียดอันนี้ขึ้นมาได้ มันมีปัญญามากเลยไปอีกกวนี้มันก็ร่าไปได้ของมันอมิจใจอนั้นต์มันเปลี่ยนไปมันเห็นของเก่านั่นแ่ะมันก็ทิ้งมันไปเช่นวันนี้เราขับไปในป่าสิรับไปในป่าจ้ะไปเก็บเอาผลไม้เก็บผลาไม้ไปเห็นผลาไม้ที่มัาคดีเนี่ยมันเปรี้ยวๆก็เอา อืี่ยออกไปหาไปต่อไปทาระเพรศผลไม้ที่ดีก็น่าดีแล้วก็ต้องเทกระจาดผลไม้อันนี้ทิ้งไปเนี่ยเพราะมันเห็นเต็นนะมันก็เทไปเทไม่เปลี่ยนอืมชั้นใดจิตใจเราเหมือนกันจะเปลี่ยนไปมันมองเห็นโทษแต่ข้างหลังมันก็ยิ่งละทิ้งไปเรื่อยๆไปอืมมองก็ไปยิ่งละไปเรื่อยๆไปไอ้ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยคนนึกว่าใช่แล้ว ดีแล้วเมื่อเราปฏิบททัติไปอา้าวที่เราอยู่นี้ก็ยังมาเดีอยู่เรื่ ย, ยมันก็ลาะคนไปเรื่อ ย, อ ย, อยไปฉะนั้นได้ชื่อตามตามการปฏิบัติตามคณะของกิจที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาเองจะดีว่านิสัยนั่นเองทีนี้เราเราทุกคนของมันการต้องเปลี่ยนจากนิสัยเดิมการเปลี่ยนจากนิสัยนั้นที่แรกมันก็บังคับต่อไปมันไม่ใช่บังคับมันมันเป็นอยังไงเดีนยวของมัน มันเป็นอย่างไงที่แรกดัดแปลงมันได้หน่อยสอนมันแนะนํามันได้หน่อยอดทนทําไปทําไปทําไปจนมันอยู่ตัวมันชะมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติของมันมันเกิดในสันดานนั้นมันมีความรู้สึกมันมีความเข้มข้นในใจการปฏิบัติไม่ยอมไม่ยอมทําผิดไม่ยอมทําชั่วท่านเองพระโสดาบันบกคลเป็นผู้ไม่กลับโสดาปฏิปันโนผู้น้อมไป ไม่ได้น้อมกลับน้อมเข้าไปน้อมไปเรื่อยๆไปเช่นเราไปเมืองอุบลเมืองวรินี่เมื่อไปมือก็น้อมไปโดยไสข้าไปยิ่งน้อมไปยิ่งน้อมไปใส่ก็ไปถึงเมืองอุบลเป็นผู้ที่น้อมเข้าไปถ้าเนี่ยโสตากังแต่ว่าน้อมมันน้อมไปเหมือนห้วยน้องครองบึงต่างๆเล็กๆน้อยๆที่มันมีอาการไหลน้อมไปสู่มหาสมุทรชั้นน้ำชันใด อันนี้เรารู่เห็นในปัจจุบันของเรานี่เองไมต้องไปตัดสินเอาใครแล้่ยในปฏิบัติไปเจอเราจะรู้จักสิ่งที่ว่ามันหนักมันก็ต้องเบาสิ่งที่ว่ามันยากมันก็ต้องไม่ยากสิ่งอะไรที่เราชอบในทางที่เราทําแล้วมันก็เกิดโทษขึ้นมาเป็นคนที่ไม่กล้าทําเป็นคนที่ไม่กล้าทำมิฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะแม่เป็นฆราวาสอยู่ก็แปลกยบฆราวาส แม่อยู่ในสมณะเพศก็เปรียบสมณะทั้งหลายด้วยอาการประพฤติปฏิบัติอืมจัญญามรยาสการไปการมาการปกการฉันการอะไรอะไทุกอย่างอืมน่ไม่ตลกขนองไม่เล่นจิตมันเป็นมันจิตเป็นที่แรกก็ช่วยบังคับครูบาอาจารย์ช่วยบังคับเราก็บังคับตัวฝึก ต, ตัวเรานานๆไปเมื่อมันเห็นมันก็เปลี่ยนออก ถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่อยากจะกลับไปที่เก่ามันเพราะว่าที่เก่ามันไม่อยากจะไปเนี่มันผิดมันไม่ถูกฉะนั้นจิตของพระโสราบันตัดจิเด็ดได้เช่นนี้แต่เป็นผู้ไม่กลับไม่กลับทําความชั่วอีกแล้วไม่กลับทําความเสียหายอีกแล้วถึงแม้มันจะอยากทํามันจะอยากพูดมันจะอยากอะไรตัวอะไรอยู่ก็ไม่ตามใจมันนี่ฉะนัยกว่าเป็นผู้ไม่กลับ ฉะนั้นทุกคนเราก็เหมือนตันเราจะดูเอาก็ได้เราบวชกันมาในพุทธศาสตรแต่เาต้าปฏิบัติตรงมีอการเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากนิสัยเก่าเปลี่ยนจากความรู้สึกันเก่าเปลี่ยนจากการพูดอย่างเก่านะมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเปลี่ยนเรื่อยๆไปต้องเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราสังวร อ, อยู่เพราะว่าเราสังรวมอยู่ เรียกว่าศีลสังวรเป็นศีลศีล น, น, นี่เป็นผู้ควบคมุมให้กลัวให้อายจนกว่าที่เราจะไม่ต้องทำในสิ่งที่ชั่วในสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็เพราะศีลศีล น, น, นี่แหละเป็นเหตุให้เปลี่ยนนิสัยให้เปลี่ยนไปให้เห็นชัดก่อนอันนั่นผิดอันนั้นถูกให้เกิดอายให้เกิดรัว ไอ้ความกลัวความอายสองประการนี้เนี่ยเป็นสินทั้งหมดเลยแต่เป็นสินทะสินเนนสินยอมสินอะไรทั้งหมดนะถ้าไม่มีอายไม่มีกลัวสองอย่างทัานเลอะหมดทีเดียวนะฉะนั้นปลาดทั้งหลายท่านจรงรักษาสินไม่ยากถ้าเราไม่ดูจากสินแล้วกนรักษายากแล้วจึงไปอ่านมันจะต้นจนจบจนตอนปลายเลยอื ทำมันนั่นต้องอันนั้นทำมันั่นเป็นระบาดอนั้นต้องพยายามตามไปลําบากหายจําเป็นเช่นนั้นไอความเปลียนกินนั่นนี่ปลาดทั้งหลายท่านรักษาศีลท่านรักษาจิตของท่านให้อยู่ในเป็นปกติเแ่านี้มันก็พอแล้วมันเป็นศีลหมดแล้วมันเป็นศีลนล้ว ม, มันเป็นศีลเย็นในนี่ในฉะนั้นเมื่อปฏิบัติสูงขึ้นไปเทระยิ่งละเอียดการรักษาศีลการสังวรการสั้งรวมเพราะจิตมันเป็น พอจิตมันเห็นไ ม, ไม่เราไม่ได้ควบคุม ม, มันเปน็นเห็นชัดต่อไปมันก็ยิ่งห่างไกลออกไปจากนั้นเนี่ยเห็นการประพฤติเห็นการปฏิบัติเห็นการบำเพ็ญโทษทั้งหลายเหล่านี้มีคุณค่ามากมที่เราทำมาประพฤติมาที่สิ่งที่มันไม่ดีนั่น เ, นเห็นโทษมันเมื่อเราเห็นโทษมันเราก็ปฏิบัติได้ทุกอย่าง อะไรที่เรายังไม่เห็นโทษมันเราละมันได้ยากละมันไม่ได้อะไรเรายังไม่เห็นประโยชน์มันเราก็ต้องปฏิบัติอันนั้นในยากทั้งเราเห็นโทษของมันในการละทั้งเราเห็นโทษมันในการตอบเวทเช่นนี้การปฏิบัติอันนั้นไ่อยากคือมันดึงดูดไปในตัวมันเองเห็นโทษแต่ก่อนี้ยากโทษเห็นประโยชน์แล้วก็ไปหาประโยชน์ เช่นนั้นเมื่อมันเป็นเห็นนั่นเห็นโทษแต่ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นกับพระโยคาวาจรเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ก็เมื่อไรจะดูดพ้นไปเบื่อนายเอื้อมละอาอืมหาทางที่จะไม่เกิดอีกไม่แสวงหาความเกิดแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดอีกพยายามหาสิ่งที่ไม่เกิดอีพยายามละพยาพยามถอนพยายามตามตรวจดู กายวาจาจิตของเจ้าของมันติดอยู่ตรงไหนอืีก็ไปปลดเมืที่ตรงนั้นเนี่ยก็ไปปล่อยไมืที่ตรงนั้นเลยพ ย, ย, ยายามตรงนั้นแหละเป็นเช่นนี้เองฉะนั้นนิสัยอันเนี้ยอ่าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านวางไว้เนี่ยมันถูกต้องโดยเติมนินสัยเนะี่ยคนไม่มีนิสัยก็เปลี่ยนนิสัยเก่าอยู่มันก็มีนิสัยอันเก่าอยู่ อย่างเก่าของมันนั่นเองน่ะแคจตงให้เปลี่ยนนิสัยผู้ประพฤติปฏิบัติจะเป็นไปตามธรรมะต้องเปลี่ยนเรารู้เห็นว่เปลี่ยนเท่านั้นดูอยู่กับพระพระองค์นั้นแปลกพระเนนก็แปลก่นเนรยอมก็ต้องแปลก่ยมเพราะมีสิ่งที่แปลอ่ยมีสิ่งที่แปลกเนี่ยฉะนั้นผู้ที่ประพฤติธรรมะต้องรู้จักประมาณแล้วยืนในบ้านก็ดีเช่นว่า มีภรรยาสามีอยู่ก็ยังเป็นพระสุดาบันได้แต่ว่ารู้จักประมาณเขารู้จักประมาณของเขาอืมเขารู้จักประมาณของเขาไม่ใช่คนไม่รู้จักประมาณคนรู้จักประมาณอืคนรู้จักประมาณเท่านั้นคล้ายๆรู้จักประมาณยังไงหิวน้ำกาวน้ํานีรมากินซะแล้วก็พอเนียอืม เมื่อหิวข้าวก็ข้าวมันกินนี่ก็พอนะเท่านี้เดี๋ยวจะประมาณจะประมาณแล้วในวงนี้ในวงของเราเนี่ยเมื่อกินข้าวกับอาหารนี่พอพอแหละแต่ก็กินเหล้าไปกินยาไปแล้วก็กินเบียร์ไปอันนั้นผ้าโสดาบันไม่ไปถึงนั้นมีครอบครัวคารวะอยู่ก็ยินดีในในในครอบครัวของเราแต่นั้น คือคือไม่ยอมเอาสนุกในสิ่งทั้งหลายคือกามไม่เอาสนุกอย่างนั้นนะคล้ายๆว่ามันเดินเหนื่อยเต็มทีแล้วก็พักผ่อนในโลกสักพักหนึ่งแบบเลิกเท่นั้นแหละอืี่ยนั้นแหละอืไม่เห็นอันนี้เป็นของดีไม่เห็นอันนี้เป็นของเลิศไม่เห็นอันนี้เป็นของประเสริฐแต่พอดีการอยู่การกินของฟู่ปฏิบัติธรรมนะก็อยู่สบาย อยู่ในบ้านก็แปรคนอยู่ในบ้านการทำมาหากินก็แปรคนเช่นนั้นอยู่เป็นสุขเมื่ออยู่ในวัดก็เหมือนกันเป็นพระก็เหมือนกันก็ต้องแปรอย่างนั้นการอยู่ของคนนี้ต้องแปรคนอื่นฉะนั้นแต่มีมีคุณนวุ ธ, ธิอันนี้ทางใจมีอยู่ไม่กล้าทำคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง เนี่ยการประพฤติปฏิบัตินี่ตัวมันกันเราจะปฏิบัติจิตใจของเราเราก็ต้องรู้เวล า, าจิตของเราความรู้สึกเกิดขึ้นมาในจิตของเรามันกลัวมันอายมันไม่กล้าทำไม่เป็นธุระหน้าที่ของมันที่จะต้องทํามันเป็นหน้าที่ธุระของมันที่จะต้องละเท่านั้นเองอันนั้นเนี่ยไอความรู้ชนิดนี้เกิดขึ้นมาเพราะการปฏิบัติรู้เราละอืมไม่ใช่รู้เราไม่ละ อันนั้นเป็นส่วนปริยิเฉยๆไม่เข้่ยถึงใจอันนี้กือันกันฉันนั้นฉันั้นการอบรมที่เราอยู่ด้วยกันปฏิบัติด้วยกันเนี่ยให้เราภาวนาให้มากๆไม่ต้องให้มากวันพระวันนี้มาเราสอนกันอบรมกันก็พอ ถ้าเราปฏิบัติมันเห็นนะถ้าเราปฏิบัติมันรู้จนกว่ามันเปลี่ยนนิสัยถ้ามันเปลี่ยนนิสัยแล้วก็ไม่ต้องตามสง่งถ้าเปลี่ยนนิสัยแล้วไม่ต้องตามส่งแล้วนิดเดียวก็ไปแล้วอย่างเป็นปัศสดาบันบุกพลท่านไม่ตามส่งอีกแล้วคือมันตกกระแสแล้วมันน้อมไปเองมันเนี่ยเขาซอนตัวของต่อไปนได้นั่นแหละเป็นผู้พ้นจากนิสัย พ้นจากนิสัยสมัยนี้ไม่เคยมีบวชมาแล้ววันสองวันไปเดยหกวันเจ็ดวันไปมันต้องมอบไปไปตามเรื่องตามราวอืนิสัยมันก็ยังไม่พ้นมันก็ยังเอานิสัยของเก่ากิริยาอันเก่าความรู้สึกอันเก่าไปปฏิบัติมันก็ยังเป็นคนยังเป็นคารวะยังเป็นคริวหัดนิสัยที่จะเป็นภาพเป็นเงินแล้วก็ไม่มีเพราะมันเปลี่ยม นี่ฉะนั้นการถือในิสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าคว า, ามถ้าไม่มีความอายมีกลัวมีพระบินายหกสี่พรรษาก็ตามไม่พน้นไม่พ้นในิสัยเจ็ดสี่พรรษาก็ตามไม่พ้นในิสัยมันพ้นในิสัยที่ถงว่าเรารักษาตัวของเราคุ้มเราคุ้มครองตัวเราได้ดีแล้วมีเองอย่างน้อยแค ห, ห้าพรษาห้าพรษา จริงห้าพรรษาแล้วถ้าใครมาตั้งใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติน่ะพยายามทำนะดีดีเก็เป็นพระเป็นเนนก็าตามเแต่ไม่อยู่ด้วยเนะดีเพียงเดียงถึงห้าพรรษาเลยนะว่าใช่ละเนี่ยพอสมควรอนะืมใช่ไปเอาโน้นก็นได้มาใช้อนี่ก็ได้ฉลาดพอสมควรในการละกิเลสมฉะนั้นแต่เพียงทรงบัญญัติไว้ให้เป็นนิสัยมุตตา เมื่อเรายังไม่พ้นนิสัยนั้นก็เรียกว่าอาศัยผู้อยู่อาศัยปรีชาอยู่อาศัยอาจารย์อยู่นอาศัยอยู่หรือออกไปจากครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ต้องท่านอาจารย์ตรงนี้พระองนี้มีนิสัยดีมีศีลบริสุทธิ์ดีก็อาศัยอันนั้นขอเนื้อใอื่นต่อไปเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของเราอืม นี่ไม่เสื่อมถ้าทำยังไม่เสื่อมอ ม, มีแต่ความจเจริญไปบนหน้าตรงนั้นดีช่วยกันเนี่ยถ้าหากว่าเป็นที่นีมันช่วยกันในหลักคุณศาสน า, าในเต็มที่เลยทีเดียวสอนง่ายเบาเบาอก เ, เบาใจจากครูบาอาจารย์จากเพื่อนทิ่สู่สมานเนรทั้งหลายแล้วเพราะว่ามันรูจากทิ่จากไปเนี่ย มันจะพยายามล่าพิษลาภัยของมันแล้วอืถ้าจิตมันเป็นเช่นนั้นอันนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะการปฏิบัติการปฏิบัติการอดทนการกระทำเพียนดูจุดหนึ่งที่เรียกจุดจิตของเราเนี่ยดูเนี่ยเพราะว่ารูที่จิตของเรานิสัยมันอยู่ที่จิตของเราจิตเป็นจุดอันหนึง่งอ่า ในในสกุลร่างกายของเราทางก้อนก้อนลูกอะนี่ก้อนลูกแทนเราเนั่งอ่งเนี่มันมีจุดเดียวที่เราจะรู้ทั่วถึงที่จุดของใจมันจะตาหูจมูกลิ้นายมันก็ผ่านกันมาถึงจิตของใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้รู้จักรักษาใจของเราให้ฉลาดในการรักษาใจของเราให้มีสติในการรักษาใจของเราเพราะว่า เมื่อเราคุ้มครองอยู่ที่นั่นเมื่อเรารักษาอยู่ที่นั่นในจุดอ น, นั้นอารมณ์อะไรทีไหนมาผ่านมันก็อมาถึงจุดนั้นเออมื่อถึงจุดนั้นเราก็คงดนรูม้มันมันรู้มาเราก็ค่าๆจะแกรที่มันจอนมาอมเราก็ต้องรับตอนรับมันถ้าเราคนเป็นผู้ฉลาดก็ต้องต้องตอนรับมันด้วยปัญญาแก้ไข อ, อารมณ์นั้นได้ถ้าเราไม่ฉลาดก็ต้องตอนรับมันใีควาโง่ นะมันประจูงจะหมุกกระไปอารมณ์มันั่นก็มืนตามเช่นั้นเช่นนั้นตอนจึงให้เรียนอยาให้มีนิศัยให้รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นถึงมันพระจึงให้อบรมกันอบรมศีลที่เราที่เราที่เราทำอุโบสถวันนี้ก็เหมือนกันเพื่อให้เป็นอย่างนี้เพื่อหเห็นอย่างนี้ เพื่อให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้อ่าการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเนี่ะ น, น ะ, ะไม่ต้องอะไรมากให้เราค่อยสั้างเกตจิตของเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราค่อยๆพิจารณาสั้างเกตเมื่อมีอารมณ์กรรมทบอะไรยอย่าพึ่งตามมันไปเลยอย่าพึ่งว่าอย่าพึ่งวิ่งกับมันม่อันนี้เราชอบใจเดาเกินอย่าพึ่งจิตมันจะเป็นอย่างนั้นก็อย่าพึ่ง อันนี้เราไม่ชอบใจเลยอย่าเป็นพูดให้เราดูอืดูดูเป็นเครื่องปรับปัญญาทําไว้อันนี้ก็วางไว้ทางนี้ก็วางไว้อันนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราวิ่งกลับอารมณ์เสียปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราวิ่งไปทางนี้อีกปัญญาเกิดขึ้น ไ, ไม่ได้ทําไมเพราะว่าสถานที่นั่นไม่ใช่สถานที่ปัญญาจะเกิดสถานที่ปัญญาจะเกิดก็คือรู้สิ่งทั้งสองอย่างนี้ เมื่อวิ่งดูแล้วเห็นแล้วก็กลับมาเมื่อตามมันไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่เือมของเราตรงนี้ตรงที่จะเกิดปัญญาตรงที่เราตามมันไปเนะี่ยคือความโง่ทั้งหลายนั่นเองที่ตามมันไปพระพุทธเจ้าต้งคงที่คงที่อารมณ์ที่มากระทบถูกต้องทีดีกับคงที่คงที่ก็คือปกติอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมากระทบกัคงที่ อาการที่คงที่เนี่ยอาการที่มันวิ่งไปท า, างซ้ายทางขวเนี่ยปัญญาเกิดตรงนี้ปัญญาเกิดตรงนี้ถามไปอีกว่ามันมีปัญหาทำไมถึงไม่วิ่งตามมันไปเพราะจิตเห็นว่าอันนั้นเป็นของไม่แน่นอนเนี่ยอันนั้นเป็นของไม่จริงอันนั้นเป็นของไม่แน่นอนไม่ต้องวิ่งตามมันไปเลยไม่ต้องประทานมันอันนี้จิตมันมีเหตุผลอย่างนี้ เป็นมาดูสิ่งทั้งหลายเรานั่ยตามเป็นจริงแล้วเช่นนี้ฉะนั้นที่ในตามดูจิตของเจ้าของได้เรื่อยไปกินะาได้เรื่อยไปปัญญาเกิดขึ้นจากจิตปัญญาเกิดขึ้นในจิตทําจิตให้ฉลาดเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นมาในนั้นถ้าเราวิ่งไปประมาณนั้นมันความฉลาดมันก็มันจะง้อแหล่ะถ้าเราวิ่งไปตามท่านอีกไม่ฉลาดไม่มีปัญญาไเกิดมันจโง่อทั้งนั้นไงก็เลยเป็นคนวิ่งไปวิ่งมานะ วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปไม่รู้จะ อ, อะไรกันอยู่ดีใจก็บิ่งไปจนสุดจิตนะเสียใจก็บิ่งไปจนสุดจิตนะชอบก็บิ่งไปจนสุดจีตเนี่ยไม่ชอบก็บิ่งไปจนสุดจีตเนี่ยถึงทุกข์ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านว่าให้คงที่ให้คงที่ให้เป็นหนึ่งถ้าพูดง่ายๆกันนี่ว่าภาวนาพุทโธให้เป็นหนึ่งให้จิตเป็นหนึ่งตลอดเวลา ถึแม้นนพระพุทธเจ้าของเราก็มีอยู่อืพระอริยาสาวกของเราก็มีอยู่สุขก็มีอยู่ทุกข์ก็มีอยู่เรื่องชอบใจก็มีอยู่ไม่ชอบใจก็มีอยู่แต่ว่าท่านรู้มันจะได้เสมอติ่งตามมันแล้วก็ปล่อยมันเพราะท่านเห็นโทษมันแล้วเพราะว่าธรรมสนิดเ น, นี่ยไม่ใช่ธรรมที่จะเราจะบําเพ็ญเป็นธรรมเราควรละเมื่อความดีใจเกิดขึ้นมาปึ๊บเดียวเท่านั้นก็รู้ไปเลย ไม่พอจใจขึ้นมาตัอันเดียวสันเลยมันมีราคาเท่าเท่ากันแค่นั้นมิฉะนั้นจึงจะเป็นคนวางวางอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่วางไม่รู้นะวางเพราะการรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันปรากฏการขึ้นมาเดี๋ยวสุขมันก็รู้ว่าสุขแกไม่ติดสุขทุกมันก็รู้ขึ้นมาแกไม่ไม่ไม่ไมปติดตั้งทุกเจ้าของทุกนั้นไม่มีเจ้าของสุขนั้นไม่มีเพราะแต่ว่ารับรู้เรื่องผอสายตัวมันไป จักก mm. no. so, ็จะเกิดแยกระดาไปเกิดแยกระดบไปเกิดแยกระดไปอืมน oh ี่จักเทวธาตุมันเกิดแยมันก็รับมันไปแต่นั้นเน่ยเพราะนั้นจิตก็เป็นเสรีอยู่อืมจิตก็ไม่ผสมระเสมอารมจิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์เอาสิอารมณ์ก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตเมื่อเห็นจิตเมื่อแยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันได้มันก็คนในย่าง อารมณ์เกิดไม่ดีขึ้นมาใจเราก็ไม่ดีอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีไปตามอารมณ์ที่เรียกว่ามันไม่ดีเนี่ยมันเป็นอารมณ์จิตก็ไม่หลงแล้วคิดไม่วิ่งไปตามเนี่ยอารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจสักแต่ว่าอารมณ์สักคเทว่าทํามันเกิดแล้วดับไปก็นั่งดูมันขณะนี้สัคเทวาเกิดแล้วมันดับไปสักคเทว่าเกิดแล้วมัดับไปสักคเทว่าเกิดแล้วมันจะหับพอมันไป เมื่อจะได้ยินหนูเมื่อจะได้เห็นหนูรู้อยู่ในการยินการเดินการนั่งการนอนก็เห็นว่าอันนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เป็นทุกข์เพราะอารมณ์มันั้นไม่เป็นสุขเพราะอารมณ์มันั้นไม่ติดสุขติดทุกข์เพราะอารมณ์นั้นอันนั้นซักว่าจะเป็นธรรมชาติอันเกิดแล้ะมันดับหมดมันไปเห็นความเกิดจะเห็นความดับเห็นความเกิดจะเห็นความดับเนี่ยในเวลานั้นก็รู้สิ่งที่มันมันเกิดมันดับอยู่ท่านั้น เห็นทำเกิดขึ้นแต่ก็รับไปเห็นทำเกิดขึ้นแต่ก็รับไปมันจะมีอะไรอีกล่ะมันกันกอบไอ้ไอ้ไอไอขึ้นมหาสมุทรที่มันเป็นขึ้นมาขึ้นมาเกินมาแต่ก็มองดูเน่ะเมื่อมาถึงฝั่งมามากระทบฝั่งกันเลยค่ะแต่กระจายไปไม่มีอะอหมดเลยขึ้นนี้ขึ้นหน้าต่อมาอีกอืขึ้นมากระทบฝั่งเนี่ยกระทบฝั่งอีกมันก็กระจายไปอีก มันจะเป็นอยู่อย่างนี้กระทั่งปีกระทั่งชาติมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เองมันมันขึ้นกระทบฝังทำอันนี้ก็มันการเกิดแรกก็ดับไปเกิดแรกกัดับไปหลับแล้วเกิดขึ้นมาเกิดเดีวมันก็ดับไปมันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดดับไปมันก็เป็นกับมันอยู่เช่นนี้ใจไม่เกิดไม่ดับกับมันจ mm. ิตไม่เกิดไม่ดับกับมันทำไมไม่เกิดไม่ดับกับมันพราะเห็นสิ่งทางไหนมันเป็นครบมันเป็นชาติอยู่แล้ว ยิ่งตามมันไม่ได้เมื่อจิตพรู้ทั่วถึงทั้งหลายเลยเนี่ยรู้ถึงรู้เป็นคนฉลาดแล้วก็เลยปล่อยจิตปล่อยปล่อยำคำที่ว่าปล่อยไม่ใช่ว่าไม่รู้ต้องรู้มันถึงปล่อยม่นได้เนี่ยปล่อยมันได้ถ้าพู้ตามธรรมะในที่นี่แต่ด้ว่าจิตมันว่างยถ้าพู้ถึงก็จิตมันว่างอย่างพระโ ม, ก, มกขราชส ถ, ถาโมกขราช มัจจุราชตามไม่ถึงไอ้ความตายตามไม่ถึงอื ม, มันมีเกาะกำบังอยู่แล้วมัจจุราชคือความตายตามไม่ทันอตามไม่ทันตามพระโมกขละตามพระโมกขลาแต่ทันทําไมถึงตามไม่ทันล่ะทำไม่ถึงตามไม่ทั น, มมทนเพราะตัณรู้ตามเป็นจริงแล้วว่าสัตว์บุคคลไม่มี ไอ้ที่มันเกิดมันตายนี่มันเกิดตั้งแต่ดับไปรูปน้ามันเกิดมันดับไปต่างหากแต่มันท่านไม่ได้ตายมัจติราชเห็นตามไม่ถึงท่านดินน้าไรลมกระจายไปต่างหากของมันไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันว่างอยู่ในที่มันมีเช่นนี้ไม่ใช่มันว่างอย่างอื่นไม่ใช่มันว่างไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จักสุขไม่รู้จากทุกข์ไม่รู้จักอะไรว่างเงี้ย ธรรมรากิดของคนน้ะมันว่างอย่งนี้นไม่ได้เนาะมันเลยว่าถ้าว่างเช่นนั้นก็สงสัยอยู่และสงสยัยเนี่ยมันต้องหาที่ที่ว่างไม่สิ่งที่มันไม่ว่างเราจะต้องหาวิมุติในในในสมมุตินะเราจะหาความเย็นในความร้อนเราจะหาความสงบในที่มันวุ่นวายในที่ต้องหาความสุขในที่มันทุกข์นั่นก็ต้องเป็นเช่นนี้เอง ที่ในจิตมั ว, ว่าไม่ใช่ว่างไม่รู้เรื่องอืคือมันไปยึดมั่นถือมั่นนั่นมันก็ว่างจากว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะคืออารมณ์ทางไหนเรานี่จะมาฟ้อให้เกิดราคะโทสะคือดีไม่ได้คือไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยมีสุขเกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของมีทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของมเมื่อเกิด รูปโฆษนาสัญญาสังขารนี่ตายแตกไปก็ไม่มีใครตายมจุราชตามท่านได้ไหมตามคนทัานไม่อื้ฉะนั้นจึงว่าพระโอษกราชนี่ยมจุราชตามไม่ทันอมัจจุราชตามทันแต่บุคคลที่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาตามทันแต่บุคคลที่มีเกิียดตัญหารู้ไม่เท่าตามเปจริงเท่านั้นเอง นั่นเอยจิตว่างจิตว่างถ้าเราไปคิดดูก็ไม่เห็นว่ามีอะไรอืมมันคิดอยู่ใจว่างยิดมูิว่า ง, างไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่อ ง, ไ ม, องไม่รู้เรื่องของมันว่าง <c oughs> ก็คือความสงบจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เองไม่ใช่อยู่ไปอะไรนี่เรีว่านิสยัยเรื่องแรมันเกิดจากนิสยัยนั่นก็ต้องเปี่ยนเย้เรื่อยๆไปเป็นโซดาติพะต า, า, านาคาอรหันต์เป็นต้น นี่เป็นกิริยาของจิตเป็นการประพฤติปฏิบัติได้ชื่อมาเพราะก า, ลารละกิเลสเช่นนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นทีนี้เราจะเึิ่งไปถามถึงมันเลยว่าอผมทําขนาดเนี้ยจิตของผมไปถึงขนาดนี้มันจะเป็นชั้นไหนมันจะเป็นอะไรทีนี้อย่าไปถามมันให้มันยุ่งอย่าไปถามมันคือจิตกับบัญญัติอันนี้มันต่างกันันไม่เหมือนกันหรอกไปอ่านดูสิ โลกโกรธนไปอ่านดูดิที่มันเกิดกับใจคนนั้นกับตัวหนังสือเนี่ยมันต่างกันไหมในไปอ่านหนังสือเฉยๆแลสบายโลกเป็นเงนั้นโกถึนงนึอสบายเนี่ยถ้ามันเกิดกับจิตคนนั้นมันจะเป็นงนั้นเลยนะมันจะข้าจะแกงกันขึ้นมาเนี่ยอันนี้ตัวจริงมันเป็นเช่นี้อืมเพราะฉะนั้นลักษณะปฏิบัตินี้มันจึงเห็นซึ่งเพิ่มยิ่งคนนั้นอีกไอ้ความรู้ในร้านปริยัตยิเนี่ยมันละไม่ได้ ถ้ารู้การประพฤติปฏิบัตินี่มันรู้ตามเป็นจริงมันล่ากพรามันได้ว่าอันนั้นไม่มีอันนั้นมีโทษมันเห็นโทษจริงๆริงอันนั้นเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์จริงๆมันทําโทษอันนี้ให้มีขึ้นมาทําประโยชน์ที่ให้เกิดให้มีขึ้นมาในใจเขามันจริงๆเนี่ยมันเป็นทีจะนิสัยเนี่ยมันเกลี่ยไปเรื่อยๆไปนี่มันเกิดไปเรื่อยๆไปมันเกิดเรื่อยๆไปคณะของกินฉะนั้นจงหาปัญญาเกิดจากจิจของเรา โดยมากกับคนเราจะคิดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนให้เข้าใจาว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็าดีทําไมถึงแบ่งมันออกไปคือแบ่งออกไปเพื่อให้พวกปริยัติเรียนง่ายเข้าใจง่ายอาการเช่นนี้มันเป็นชื่อวิญญาณอาการเช่นนี้สมาธิอาการเช่นนี้เรียกว่าปัญญาไอ้ความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็อันเดียวกันน่นแหละ อันเดียวกันแหละแต่ว่าเราแบง่งออกกันกัตัวเราเนี่ยอันนี้ตาอันนี้หูอันนี้ปากอันนี้แขนอะไรหลายๆอย่างในในตัวของคนคนเดียวมันก็คนคนเดียวนัว่นแหละแต่แยกให้รู้จักอะไตรงนั้นเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นตาแยกออกอแต่ว่าแยกออกไปทไหนมันก็ไม่ออกเรากระรวมในคนคนเดียวนยั่นแหละนักปฏิบัติเห็นเห็นก็ไปจนนี้รวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามาเนี่ย สิสมาธิปัญญามันรวมเข้ามาสินสมาธิปัญญามันเป็นก้อนเดียวกันถ้าเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยปริยัติเดียนยากก็เพิ่งอาการชนิดเดียวกายวาจาเป็นสินเนี่ยจิตเป็นสมาธิปัญญาก็เป็นปัญญานะอเป็นแยกออกอาการชน่ดเป็นอาการมีความรู้สึกรูคิดรูแจงแจงตลอดเป็นปัญญาอาการที่สงบสงบชนี่เป็นสมาธิ อาการมีความสั่งสอนสั่ดูเดยอกว่าสิ้นนี่จมูกสูดลมหายใจเหม็นหอมตาก็เห็นรูปหูกปฟังเสียงนะจมูกรวมมันก็มารวมเข้ในที่รู้ของกิตอันเดียวทําไมถึงแยกกันออกแยกให้รู้จักใบจมูกรู้จักจมูกอันนี้เป็นจมูกอันนี้เป็นตาอันนี้เป็นปาก อันนี้เป็นเนื้อเป็นหนังอันนี้เป็นขนอันนี้เป็นอยากไปใช่ไหมแต่มันคงอยู่ที่เก่ามันเองเมื่อเรารวมรวบรวมรูปีนาเดียวทั้งหมดนี่ในสกุลร่างกายนี่นเป็นของไม่แน่นอนเท่านั้นแอละจนจิตคนพ้นออกไปละออกไปได้เห็นโทษมันก็ได้เข้าใจว่าเรานัเนี่ยเห็นผลทุกเส้นผลเห็นผมทุกเสิ้นส้นผมเลยเห็นกะระดูกทุกซี่เห็นเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างเลยทิยงยท้งทั้งหมดได้ จนเกิดปิณิพิธาความเบื่อหน่ายในก้อนอันนี้ mm hmm. แต่มันแยากไม่ออกคือ mm hmm. มันรวมกันอยู่แยกออกใครรู้จักง mm ่า hmm. ยๆอเท่า น, นั้นเองเมื่อพ้นที่สุดมันไปรวมกันการประพฤติปฏิบัตินี่คือนกันอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ mm hmm. ไม่ใช่เป็นอัปปนาสมอุปจารสมาธิขันติขาสมาธิ mm hmm. อัปนอปนาสมาธิ มันก็คือเรื่องจิตอันเดียวกันนั่นแหละนี่น่ะเรื่ิตเดียวกันคณะสมาธิคือมีความสงบไปชั่วคราวหรอกมันก็เลิกอุปจารสมาธิมันก็ค่อยเข้าไปนานก็นานดีอุปจารสมาธิเนี่ยซาไปเก่นคนะหนึ่งขณะนี้มันสั้นขณะนี้มันยาวอัปปนาสมาธิอยู่ไปตลอดเลยนหลายชั่วโมงเลยมันแน่แน่วเมื่อจิตเช่นนี้มันเป็นเนี่ยอปปนาสมาธิ ปจรณสมาธิขณะสมาธิแม่มันก็จิตดวงเดียวกันนั่นเองน่ะเมื่อมีสมาธิน้อยมันก็ว่าไปอย่างหนึ่งเมื่อจะมีสมาธิไปมากกว่านั้นมันก็ว่าไปอย่างหนึ่งเมื่อมันมากที่สุดของมันก็เรียกชื่อมันไปอย่างหนึ่งฉะนั้นเรื่องอันนี้จะต้องศึกษาในทีนี้เพืจะรู้จักเห็นว่าเรื่องจิตขณะสมาธิมันเป็นยังไงปุพจระสมาธิมันเป็นยังไง อปนาสมาธิเป็นไเรียนไปก่อนแลจะไม่รู้เรื่องนะมไม่ต้องตามมันไปเราทำมันไปเถอะมันจะเห็นมันขนะสงบช่วงคราวมันก็มีอุปยานสมาธิมันเดินอุปยานมาททเที่ยวกัาไปวิจารณ์เข้าไปเที่ยวในที่สงบนั่นดีกพักหนึ่งอปนาสมาธิแน่แน่วมีกำลังยิ่งกว่าสมาธิทั้งสองนี่ อาการสามอย่างนี่มันจะพบที่จิตของผู้ปฏิบัติตรงนั้นถามไปก่อนไม่รู้เรื่องมันอันนี้คืออะไรไม่รู้จักเพราะว่าออุปจารสมาธิเมื่อถึงฟุมันไม่แสดงภาพเป็นตัวหนังสือเกิดมาในที่นั่นอันนี้อุปจารสมาธิมันไม่บอกตรงนั้นนะมันบอกแต่อาการถ้าเรามีปัญญาเรขณะอันนี้มันเบาอย่างนี้ขณะนี้มันเบาอย่างนั้นขณะนั้นมันมีกําลังอย่างนี้กนันโลกจิตอย่างนี้ ตามบัญญัตินี้เนี่ยวัฒนธรรมจิตมันจะรู้ตัวมันเองอืไม่ต้องไม่ต้องคิดยากไม่ต้องลําบากอะไรมันเลยเรื่องปฏิบัติเนี่ยขอเท่าว่าเบื้องแรกก็มาอ่าสินของเราสังบรสังรวมเนี่ยบื้องแรกที่สุดนิสัยนี่อเข้าในพวกในฝูงก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวไม่แยกรู้ มีความฝักไฟอยู่ตลอดการตรอดเวลาอยู่เช่นนั้นมีเรียกว่าการปฏิบัติเมื่อจิตมันเห็นง เ, เป็นอย่น้น ม, มันไมปล่ยอยปะละเลย ส, สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำตามอาการเช่นนี้รักษาจิตดวงนี้ไว้พยายามตามรักษาจิตอันนี้ไว้เรื่อยๆไปมันจะรู้มันจะเห็นมันจะเป็นอะไรเกิดมาในที่ตรงนั้น ในจอหนังนั่นแหละไปดูสิอื่นไปดูจอมาน น, นึ่งนะใครเอกนางเอกมันจะเต้นออกมาตรงนั้นแหละอะไรมันจะออกมาตรงนั้นแหละในจอ น, นั่นเนี่จิตนี่คือมันจังไม่ต้องกระเสือกกระใสในการประพฤติปฏิบัตินั้นนะไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากมายธรมอารมณ์เย็นๆที่จินามันเชื่อว่าอะไรมาหลอกลวงไม่ได้อืสิ่งที่ชอบใจเรากรู้ไม่ชอบใจเราก็รู้จักมันแล้วตามเป็นจริงเมื่อสมัยปล่อยมันแล้วกย่าปล่อย อืมเมื่อชนได้นิสยัยอืมเมื่อปล่อยมันก็สบายเมื่อเป็นแบกมันก็หนักเมื่อปล่อยมันก็บาเ บ, บาขึ้นมามันก็รู้เห็นการเป็นจริงของมันอยู่ในการลักษณะปฏิบัติัันนไม่ตื่นใจ น, นะอันนี้ไม่ต้อ ง, งสงสัยแล้วอืมขอจะปฏิบัติส่วนตัวคงใกลคงใกลคงไกลเท่านั้นเละมันจะมากจะน้อยให้เป็นผู้มีอุปนิสยัยเป็นผู้มีปัจจัยเป็นผู้ถือนิสยัยเมื่อมัน เมื่อมันจิตคนนั้นมันเคลื่อนไปนิดหนึ่งก็รู้จักมันก็เลิเมื่ออยากจะพูดทํานั่นแต่มารูกมันปิดเบิกอะไรตัวนี้แหละเนีพยายามรวมเข้ามารวมอาการเช่นนี้เลว่าสังวรสินสังวรสังรวมอยู่รวมกันเรามารวมเข้ารวมเข้ารวมเข้ารวมเข้าร้องเข้ามาแต่น้อยแต่น้อยจะไม่มีจุดน้อยดูง่ายดูง่ายเมื่อรวมมาถึงตายกัจิตจะเคยหมดไปยมด วดปวดอุตริมนุษย์ไทคำเสพเมตูนในว่าเข้ามันไปนั่นมันอยู่นู้นเราไปเสพอยู่ตรงนี้เราไมปทำมีตรงนี้เลยเนี่ยวนอมันเห็นง่ายแต่เพราะในตรวจตรงนี้ไม่ต้องฝึกพยายามฝึกเรื่องนี้เรื่อการปฏิบัติของเราไม่ต้องไปเห็นอันนั้นไม่ต้องไปเห็นอันนี้เห็นจิตของเราไม่เป็นทุกข์เห็นจิตของภาพาจากอารมณ์นี้ได้เห็นจิตของเราไม่ระยึคดความรู้ปดหลงอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี้่ทีละน้อยแต่น้อย ไม่ส่งไปเห็นพยาคุดพยาลาศเห็นเทวราปยาพงยมยักษ์อะไรแล้วปฏิวัติเนี่ยไม่ถึงย่างไม่ต้องเพ่งไปตรงโน้นดูจิตแต่ของพอแล้วอันนี้ที่พระพุทธเจ้าของเราต้องการจริงๆเพาะให้เห็นอันนี้ให้รู้อันนี้ตามเป็นจริงเท่านั้นไม่ใจอื่นไป